ตอนนี้กลับมาพเนาพนอค ว, วามโกรธถามหน่อยเธอะใครจะเส่อเหมือนเจ้าตอนแรกก็ตั้งใจสมาทานศีลเอาดีประดีเลยนะตั้งใจสมาทานประพฤติคุณงามความดีเอามาเหลือไปเหลือมาคว้าเอาแต่ความโกรธโอ้ยโง่จริงๆเลยนะเจ้าโกรธหาว่าคนอื่นทํากรรมที่ป่าเถื่อนทําไมตัวเจ้าจึงปรารถนาทํากรรมเช่นนั้นเสียเองเราเราบอกความโกรธเขาว่าเลวเร็วทำไมตอนนี้มาทําความเร็วด้วยตัวเองล่ะ ใครเั็นเลวที่สุดกันแน่ว่างั้นถ้าคนอื่นอยากให้เจ้าโกรธจึงแกล้งทำสิ่งที่ไม่ถูกใจให้ฉนันจึงช่วยทำให้เขาสมความปรารถนาด้วยการปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นหรือเราเป็นคนแบบอะไรนะเสียสละขอทำทุกอย่างอย่างที่ศัตรูปรารถนาใช่ไหมศัตรูปรารถนาอย่างไรเราก็ขอทำให้สมความ ปราถนาของศัตรูทุกอย่างศัตรูเขาบอกว่าอย่านอนหลับเราก็นอนไม่หลับตามที่เขาบอกศัตรูก็บอกขอให้ทรัพย์สินเสียหายเราก็ทําให้มันเสียหายตามที่ศัตรูแนะนำศัตรูเขาแนะนําขอให้ไปนรกนะเราก็จะไปตามที่ศัตรูบอกโอ้ย oh, ใครน้องจะช่วยทําให้ศัตรูสมหวังเหมือนกับเราอย่างนัเจ้าโกรธขึ้นมาแล้วจะทําทุกข์ให้เขาได้หรือไม่ก็ตามแต่ที่แน่ๆตอนนี้ใครเดือดร้อนกันแน่สมมุติว่าโกรธเนี่ยยเราคือผู้ยิ่งใหญ่มาหากันเลยแหละ มีอำนาจมาก ท, ทําปัทุสไรใครก็ได้แต่ที่เนี้ยทำลายใจตัวเองเรียบร้อยหมดแล้วใครเดือดร้อนนะตอนนั้นเจ้าก็เดือดร้อนแล้วหรือเจ้าเห็นว่าพวกศัตรูเดินเข้าไปในทางของความโกรธอันไรประโยชน์แล้วฉนะไหนจึงไปทําตัวเรียนแบบเขาเล่า น, นะเมื่อเขาจะไปในะรคทําไมเราต้องเรียนแบบเขาด้วยเนี่ยนะเขาเป็นโรคเราหลายๆอย่างเราต้องเรียนแบบเขาไหมไม่อยากเอาแล้วทําไมโกรธทําไมชอบเรียนแบบอย่างเงี้ยนะ ศัตรูอาศัยความแค้นเคืองใดจึงก่อเหตุให้ไม่พึงใจได้เจ้าจงตัดความแค้นเคืองนั้นเสียเถิดจะมาเดือดร้อนด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องไปทำไมเนี่ยนะหรืออาจจะพิจารณาให้ละเอียดสูงสุดไปเลยก็ได้ น, น, นว่าขันเหล่าใดก่อเหตุไม่พึงใจขันเหล่านั้นก็ดับไปแล้วไม่ใช่หรือใช่ไหมอย่างถูกด่ามาก็เลยโกรธเอาอาศัยหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณหูก็หูที่ฟังก็ดับไปแล้วเสียงที่ด่าก็ดับไปแล้วโสตวิญ ญ, ญาณอันนั้นก็ ดับไปแล้วแล้วทําไมยังเพิ่มเชื้ออยู่นี่ล่ะ น, นะก็ถามก็ขันทัดอายตนะทั้งนั้นแหละที่ประชุมกันทําไมมาประชุมให้มีแต่ความโกรธล่ะน่าจะประชุมเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลสิแต่นี้ยิ่งประชุมไปยิ่งประชุมมาประชุมแต่บาปและอกุศลหรือบางทีก็อย่าลืมว่าพิจารณากรรมเป็นของของตนนะว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยเลวเนี่ยนะเราไม่ต้องไป ไปอะไรเขารอกเพราะว่ากรรมมันจะจัดแจงเขาให้ยุติธรรมที่สุดเนี่ยนะกรรมนี่แหละจะเป็นตัวจัดแจงเขาให้ให้สมควรแก่การกระทาของเขาที่สุดมันเราไม่ต้องทำอะไรเขาก็จะไปตามกรรมของเขา ขณนะนะเดียวกันเองอย่าลืมว่าเราเองก็จะไปตามกรรมของเราเหมือนกันถ้าเราัมมานั่งโกรธนั่งไม่พอใจนั่งไม่สบายใจในเรื่องไร้สาระอย่างนี้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์ตรงไหนเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าทางใครก็ทางใครเธอขอให้เขาไปดีมีสุขขอให้เราไปตามทางแห่งความสุขและความเจริญขอให้เขาประสบแต่ความเจริญขอให้เราประสบความเจริญแต่ไม่จาเป็นต้องร่วมทางกันนะแ ย, แยกกันไปอย่างนั้น อะไรแยกกันอาจจะอยู่ก็ได้นะสมัยว่าแยกกันแล้วอยู่เจริญกุศลต่อไปได้รวมกันเมื่อไหร่ก็มานั่งทะเลาะ ก, กันอย่างเงี้ยนะไปแยกแยกกันอยู่กันละกันหรืออีกในหนึ่งก็คิดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เจริญขันตินะพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าทํำไมเรื่องราวเหล่านี้ทํำไมเราทนไม่ได้เนี่ยนะก็หาตัวอย่างในชาดกเป็นต้นเนี่ยนะชาดกต่างๆที่พระองค์ประพฤติวัดปฏิบัติเพื่อระงับ ความโกรธพระองค์ยังไม่โกรธเลยเนี่ยนะก็อ่านชาดกเก็บข้อมูลของคนที่ไม่โกรธเอาไว้มากๆเนี่ยนะเราก็จะทำให้เราไม่โกรธได้หรือเคยระลึกถึงความเกี่ยวเนื่องกันในสังสารวัตรคนที่เขาเราโกรธอยู่ตอนนี้อดีตเขาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เราถ้าเขาเคยเป็นพ่อเรานะเขาต้องทำมาหาเลี้ยงชีพขนาดไหนกว่าจะเลี้ยงเราให้ จเจริญเติบโตถ้าเขาเคยเป็นแม่เราเราก็เคยอยู่ในท้องเขาเขาก็เคยประคบประ ง, งมเราอยู่ในท้องเขาคลอดขึ้นมาเขาก็ช่วยดูแลรักษาเช็ดล้างอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้เราทําทุกอย่างเพื่อเราเนี่ยนะมันถ้าเขาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เราเขาก็ทําทุกอย่างเพื่อเราทําไมเราจึงโกรธเขาลา่ะเขาเคยมีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อเรานะในอดีตชาติกี่ชาติมาแล้วก็ช่างเถอะสรุปว่าเขาก็คือผู้มีพระคุณต่อเรา ขณะเดียวกันเขาเคยเป็นลูกสุดที่รักของเราเราอาจจะทำเคยทำทุกอย่างเพื่อเขาก็ได้เนี่ยนะันก็นึกถึงความเกี่ยวข้องเขาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอาเป็นต้นจะโกรธเข้าไปทำไมก็โกรธญาติเรานี่แหละเนี่ยนะก็โกรธญาติของเรานี่แหละทีนี้ถ้าเราโกรธเนี่ยนะอันนี้สงของความโกรธกับอนี้สงของเมตามันต่างกันไหม ถ้าเราโกรธนี่ชื่อว่าทิ้งเมตตาใช่ไหมเมตตามี น, นิสงหลับไปก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอามนุษย์ไฟสาตราอาวุธเป็นต้นไม่กล้ามกลายไปได้ะนะเมื่อไม่หลงทำการลกิริยาตาแล้วไปสู่สุคติพรหมโลกเอาเวลาเราโกรธขึ้นมาเนี่ยจะได้อ น, นิสง์กําไรเหล่านั้นไหมไม่หลับก็ไม่เป็นสุขฝันก็ฝันแต่ฝันร้ายเนี่ยนะตื่นขึ้นมาก็เครียดเครียดะนะแล้วก็อะไรเป็นที่รักของมนุษย์ไหม มันเป็นที่รักอ่ะนะมองไปที่ไหนก็แผ่แต่รังสีอมมหิดกระจายทั่วไปหมดเป็นต้นมันก็ให้นึกถึงว่าโทษของความโกรธถ้าเราเจริญเมตตาละก็มาแยกหรือบางทีเนี่ยนะถ้ามันโกรธหนักๆเข้าจริงๆทําไงดีโกรธอะไรครับโกรธผมใช่ไหมก็โกรธเล็บโกรธฟันโกรธหนังโกรธเนื้อโกรธเอ็นโกรธกระดูกโกรธเยื่อในกระดูกโกรธตับโกรธไตโกรธไส้โกรธพุงไล่มาด้วยโกรธตรงไหนกันแน่ โกรธรูปโกรธเวทนาโกรธสัญญาสังขารหรือโกรธวิญญาณโกรธตาโกรธหูโกรธจมูกโกรธลิ้นหรือโกรธกายโกรธใจโกรธจักขวายตนาหรือโกรธรูปายตนาโกรธโสตายตนาหรือว่าโกรธศรัทธายตนาเป็นต้นหรือโกรธทุกขสัตว์หรือโกรธสมุทัยสัตว์หรือโกรธอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเนี่ยนะโกรธแน่จริงก็โกรธว่าตาให้หมดเลยสิจะได้เบื่อหน่ายและคลายกำลัดสักทีหนึ่งก็ไม่เอาจริงอีกนั่นแหละเลือกโกรธเป็นบางอย่างใช่ไหม แล้วก็พิจารณาแยกขันธ์ธาตุยัตตนาสัจจะอินทรีย์เป็นต้นก็พอที่จะหายโกรธได้ถ้ามันไม่โกรธจริงๆนะมีอะไรก็ขนขนให้ศัตรูไปใช้บ้างเธอเอ้าจริงเนี่ยนะแบ่งแบ่งของกันใช้บ้างให้เขาไปใช้บ้างเออนี่นะฉันมีจีวรเอาเธอเอาใจยุวณนี้ไปใช้ผมถวายจีวรกันแล้วกันเออนี่ผมบาทนี่บาทนี่ผมรักที่สุดผมถวายบาทแต่ท่านกันแล้วกันอย่างเงี้ยนะมันก็เออนี่ก็เรียกว่าให้ของขวัญกันบ้างก็จะหายโกรธเนี่ยนะ ส่งของขวาญไปด้วยความจริงใจเนี่ยนะในที่สุดก็จะหายโกรธมันเกี่ยวกับเรื่องความโกรธเนี่ยถ้าพิจารณาจริงๆแล้วการกําจัดจริงๆเนี่ยกำจัดด้วยกาลังของปัญญาผู้ที่มีปัญญาพิจารณาบ่อยๆมากๆก็สามารถที่จะกําจัดความโกรธแต่ที่แน่ๆความโกรธไม่ใช่สาระที่เราต้องการเนี่ยนะต้องไม่ลืมว่าเป็นสิ่งที่เป็นอกุศนมีโทษให้ผลเป็นทุกข์ เ, เวลาเราโกรธอีกทีหนึ่งเราคิดอย่างนี้นะเออโกรธก็โกรธไปดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะดวงที่เจให้ผลชาติหน้า2งถึงหให้ผลในชาติที่สาเป็นต้นวางระเบิดให้ตัวเองเยอะๆกับล้กันเนี่ยนะโกรธต่อไปกันแล้วกันเนี่ยนะก็เอาเครื่องกรร ม, มาคิดบ่อยๆนะทำไมสงสารตัวเองก็ตามใจนะในหน้า27บอกว่า ผู้ที่พิจารณาดังกล่าวไปแล้วก็สามารถที่จะกำจัดความโกรธได้ความโกรธคือความอาฆาตที่เกิดจากอาคาตวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอาคาตวัตถุ18อาคาตวัตถุ9ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเขาได้ประพฤติคือเขาเคยประพฤติเขาเคยสร้างความชีพหายให้แก่เราเขากาลังสร้างความชีพหายให้แกเราเขาจักสร้างความ ชิบหายให้แก่เราเขาเคยสร้างความชีพหายให้แก่คนที่เรารักเขากาลังทาความชีพหายให้แกคนที่เรารักเขาจะทำความชีพหายให้แก่คนที่เรารักเขาเนี่ยนะสนับสนุนส่งเสริมแต่ศัตรูของเราเนี่ยนะเขานี่จกส่งเสริมศัตรูของเราต่อไปเขาต้องอุปถัมศัตรูของเราแน่นอนก็เลยโกรธเขาหรือบางทีก็โกรธเขาว่าไงโกรธเขาว่าเขานี่ทำไมเขาไม่เคยทำดีกับเราเลย น่าจะช่วยกันบ้างเป็นต้นเนี่ยนะบางทีเจ้าวาดทั้งหลายก็โกรธอะไรนะอุ้ยทําไมขี้เกียจกันแทนน่าจะช่วยกันบ้างน่าจะช่วยจีบช่วยจับช่วยอะไรตัวเองก็ไม่เคยบอกให้เขาทําอะไรสักอย่างนะก็เลยว่าทําไมคนอื่นเขาน่าจะช่วยกันบ้างเป็นต้นโกรธเขาเพราะเขาไม่ช่วยมันน่าจะขยันน่าจะหยิบน่าจะจับน่าจะช่วยน่าจะช่วยน่าจะดูน่าจะแลกันบ้างอะไรกันบ้างไม่สนอกสนใจปล่อยปลาละเลยก็โกรธโกรธที่เขาคนอื่นเขาไม่ทําอะไรมันน่าจะช่วยกันบ้างบางทีเรียกว่าความโกรธ มันก็พิจารณาให้มากๆนะว่าวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเราต้องโกรธก่อนค่อยไหมค่อยพิจารณาไม่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกผู้มีปัญญาทั้งหลายเขารู้ว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมแห่งความเลวร้ายเขาจะรีบตัดไฟแต่ต้นลมเนี่ยนะรีบดับไฟแต่ต้นลมไม่งั้นนี่เผาบ้านเผานครแน่ผู้ที่กาจัดความโกรธได้อย่างนี้เนี่ยนะเหมือนอะไร เหมือนหมองูกำจัดพิษที่ซ่านไปด้วยโอสดฉะนั้นเนี่ยนะตัวปัญญาพิจารณาเนี่ยตัวพิจารณาเท่าไหร่ก็เท่ากับตัวยาเท่านั้นอย่าลืมว่าการพิจารณาโทษแห่งความโกรธเท่าใดพิจารณาอนิสงค์ของความไม่โกรธเท่าใดนั่นคือยารักษาความโกรธนะกำลังคือการพิจารณาเป็นยารักษาความโกรธต้องหมั่นพิจารณาบ่อยๆจึงจะสามารถรักษาความโกรธได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่ากำจัดพิษงูด้วยโอสถ พิษของงูกําจัดด้วยยาฉันใดความโกรธก็กำจัดด้วยกำลังคือการพิจารณาฉันนั้นเนี่ยนะกำลังคือการพิจารณาด้วยศีนว่าถ้าเราโกรธแล้วก็เสียศีนสิเนี่ยนะถ้าเราโกรธเราก็เสียศีนถ้าโกรธเราก็เสียกรรมฐานเสียบุญเสียกุศลเสียกุญงามความดีเสียทุกอย่างไปหมดเลยนะมันก็ให้พิจารณาพิจารณาบ่อยๆเท่าไหร่ก็ข่มความโกรธได้ เท่านั้นคนที่ไม่พิจารณาโทษแห่งความโกรธคนเหล่านี้ก็จะโกรธต่อไปบทว่าโอสเถพิได้แก่ด้วยายาทั้งหลายอธิบายว่าผู้ใดย่อมกําจัดคือย่อมอดกลั้นย่อมละย่อมบันเทาให้ถึงที่สุดซึ่งความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วตามอัฏฐะที่กล่าวแล้วคือที่ซึมซาบไปทั่วในจิตสันดานแล้วตั้งอยู่ด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอุบายกําจัดความโกรธตามที่กล่าวมาแล้วนะก็เรียกว่าเก็บข้อคิด ที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดมาไข้ครวนก็สามารถที่จะกำจัดความโกรธได้เหมือนหมอที่กำจัดพิษที่ถูกงูกัดนะกำจัดพิษงูที่ซ่านไปทั่วร่างกายอยู่ด้วยยานานาชนิดนะบรรดายาที่ทำด้วยรากไม้ต้นไม้เปลือกไม้ใบไม้นะอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะปรุงเสร็จก็กำจัดพิษงูได้อย่างฉับพลันโสภิขุชหาติโอระปารัง ภิกษุนั้นกำจัดความโกรธอยู่อย่างนี้เพราะเหตุที่ความโกรธท่านละเสียได้สิ้นเชิงด้วยอนาคามีมักฉนั้นภิกษุนั้นย่อมละโอรัมภาคิยะสังโยตห้าเหล่านี้โอปาระละฝังในเสียได้แต่เมื่อกล่าวโดยไม่แปลกกันคำว่าปารังฝังเป็นชื่อของอะไรปารังในคำว่าโอปารังก็เพราะหมายถึงว่าฝังในด้วยเป็นฝังแห่งทะเลคือสังสารวัตด้วย แบ่งเป็นสองอะนะฝั่งในก็คือในสกายะเนี่ยนะก็อยู่ในฝักฝ่ายแห่งสังสารวัตรขันทาริยตนะที่ไหลสืบเนื่องกันไปอีกอย่างหนึ่งภิกษุกําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นเสียได้เหมือนหมอกําจัดพิษงูที่สร้างไปด้วยโอสดฉะนั้นภิกษุนั้นกําจัดความโกรธได้สิ้นเชิงด้วยมรรคที่สามก็ตั้งอยู่ในอนาคามีผลก็ละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้คําว่า โอปาลังเนี่ยนะเขาบอกว่าอัตภาพของตนชื่อว่าโอรังคือฝั่งในอัตภาพของคนอื่นชื่อว่าปารังคือฝั่งนอกแลียกวละฝั่งในฝั่งนอกก็คือละชันทราคาในอัตภาพภายในละฉันทราคาในอัตภาพภายนอกอีกอย่างหนึ่งอายตนะภายในชื่อว่าฝั่งในอายตนะภายนอกชื่อว่าฝั่งนอกมันผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็ตัดฉันทราคาในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกได้ กันความจริงเนี่ยเพราะมีตานั่นแหละจึงมีกโกรธนะเนพราะมีสีนั่นแหละจึงโกรธเพราะมีหูนั่นแหละจึงมีโกโรธนะเนพราะมีเสียงนั่นแหละจึงโกรธเพราะมีจมูกนั่นแหละจึงโกรธเพราะมีกล็ดนั่นแหละจึงโกรธเพราะมีลิ้นนี่แหละจึงโกรธเพราะมีรสนี่แหละจึงโกรธเพราะมีกายนี่แหละจึงโกรธเพราะมีโพธานั่นแหละจึงมีโกรธเพราะมีใจนั่นแหละจึงโกรธเพราะมีเรื่องราวทั้งหลายนี่แหละจึงโกรธเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละจึงโกรธ ก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภัณฑ์นั่นแหละจึงโกรธและอะไรมันเร็วที่สุดกันแน่อะไรเรวที่สุดก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรวที่สุดมันงั้นถ้าตัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้ได้เราจะโกรธอีกไหมนะถ้าตัดเยื่อใหยในตาหูจมูกลิ้นกายใจได้หมดแล้วเนี่ยจะโกรธต่อไปไหมบอกไม่โกรธ